เคยดูโค น, นั้นไหมเคยดูค่ะเนาะคื อ, อมันมีอยู่ตอนนึงคนร้ายหลอกให้ตีปิงปองอะไรเงี้ยมาอ่านดูเนี่ยก็น่าทึ่งนะคือตีปิงปองเนี่ยร่างกายร้อนขึ้นก็ทําให้ประเมินการเสียชีวิตผิดไปจากความจริงคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องมาดูเรื่องเนี้ยแล้วทีนี้ก็มานั่งหาภาพ ป, ประกอบนะก็เพราะว่าโอ้โหน่า ก, กลัวอก็เลยบอกกับทุกท่านนะครับว่าไม่ใส่ภาพดีกว่าอเพราะว่าตอนไปนั่งหาเนี่ยโอ้โหมาเป็นตัวเป็นอะไรแล้วแบบกลัว น่ากลัวมากเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆถ้าเราถอยหลังกลับมามันก็คือร่างกายของของของมนุษย์เรานี่แหละเนาะ You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. ใดๆในโลกล้วนฟิสิก Podcast วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ํากว่า7ชั่วโมงสมมติเรามองจะได้ยินคําประมาณนี้นะคะอยู่ในข่าวถ้าเราดูข่าวรายวันที่มีข่าวร้ายของการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเราดูหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็จะมีประโยคแนวๆ น, น, นี้เกิดขึ้นอยู่นะคะวันนี้ใดๆในโลกโลนฟิสิกส์เลยชวนมาคุยกันในแนวๆของนิติวิทยาศาสตร์กันต่อเป็นตอนที่2องแล้วค่ะจากตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของเลือดแล้วก็หลักการทางฟิสิกส์กันไปนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับฟางรัตเทอร์โรจิตพนาค่ะ และผมปองแปงอัดว่ารงจันทมาศครับพี่ปองแปงคะ่ะถ้าเราชวนคุยว่าเวลาเราเป็นแปงถึงมีชีวิต อ, อยู่อ่ะเราไปหาหม อ, อมหาหมอเร็วก็วินิจฉัยได้เร็วแต่พอเราเสียชีวิตเป็นศพเกิดคดีขึ้นมาเวลานี่มันเข้ามามีส่วนสําคัญกับเรื่องนี้มากๆากเลยใช่ไหมคะโอ้สำคัญมากครับสคัญต่อการต่อรูปคดีต่อการหาคนร้ายอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ไห ม, มเช่นถ้าเรารู้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงอย่างที่บอก เราก็ไปดูว่าเจ็ดชั่วโมงก่อนเนี่ยใครอยู่ตรงไหน ม, มันก็พอจะจํากัดได้ว่าคนโน้นคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเป็นคนร้ายเป็นอะไรได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นมันเป็นตัวแปรที่สําคัญมากในทางนิติวิทยาศาสตร์การหาหรือระบุเวลาเสียชีวิตแต่มันท้าทายมากเพราะว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนอย่างที่บอกคือยิ่งเจอศพเร็วยิ่งดีคือไอาการที่จะหาเวลาเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มีความไม่แน่นอนอยู่ คือหมายความว่ามันไม่ได้บอกว่า6ชั่วโมงไม่ได้แบบเป๊ะนะมันก็จะมีความไม่แน่นอนอยู่เป็นช่วงอะแต่ว่ายิ่งเราเจอศพผู้เสียชีวิตเร็วช่วงความไม่แน่นอนนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแคบลงยิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยความไม่แน่นอนก็ยิ่งมากขึ้นอเอาง่ายๆคือเถ้าเราปล่อยศพจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าดีคอมโพส์น ะ, ค, ะคือเข้าสู่ช่วงศพเน่าเนี่ย ห, หรือผุเปื่อยพังไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยระบุยากเลยว่าแบบนานแค่ไหนอย่างไรยังนั้นยิ่งพบศพเร็วยิ่งมีโอกาส ระ บ, บุเวลาเสียชีวิตที่แม่นยําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีอยู่หลากหลายวิธีเลยในการะจะระบุซึ่งมันก็ยากที่จะฟันธงว่าวิธีไหนดีที่สุดด้วยดังนั้นโดยทั่วไปนักนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาทําการชนะสูตรก็มักจะใช้หลายๆวิธีมาดูประกอบกันนะครับแล้วก็ดูว่ามันไปทิศทางเดียวกันไหมอะไรยังไงซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องของแบบสมมติเรานึดถึงร่างกายหรือนึดถึงศพเราจะนึกถึงทางชีวะมากกว่า แต่ว่าฟิสิกส์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบหาเวลาในการเสียชีวิตยังไงบ้างคะ่ะคือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมชาติเนี่ยนะผมพูดเสมอว่าธรรมชาติน่ะมันไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าปรากฏการณ์ต่างๆมันเป็นฟิสิกเคมีหรือชีวะมันอาจจะมีบางอย่างโดดเด่นขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วมันประกอบลูกๆกันอยู่ เรื่องของฟิสิกส์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเย็นตัวลงของศพหรืออะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละมันมาเกี่ยวแน่นอนฮนะใช้ฟิสิกส์เลยแหละ <okay. S 2> แต่เดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ในการทํากันบ้านเรื่องนี้ก่อนนะอ๋อ oh, ประสบการณ์ในการทำกันบ้านใช่ <okay S 2> ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์ในการเสียชีวิตนะฮะ <laughs> ก็ตอนเนี้ยผมมานั่งทํานิตยวิทยาาตรตอนที่สองเนาะก็รู้สึกว่าแบบคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องมาดูเรื่องเนี้ย แล้วทีนี้ก็มานั่งหาภาพประกอบนะก็เพราะว่าโอ้โหน่า ก, กลัวอก็เลยบอกกับทุกท่านนะครับว่าไม่ใส่ภาพดีกว่าอเพราะว่าตอนไปนั่งหาเนี่ยโอ้โหมาเป็นตัวเป็นอะไรแล้วแบบกลัวน่า ก, กลัวมากอของฟังเข้าไปนั่งอ่านแล้วก็ <S <S เ, เจอคุณหมอทําวิจัยแล้วก็พิมพ์คําอธิบายไม่มีภาพแต่เป็นภาษาแบบเป็นพิมพ์ Text ซตัวหนังสืออธิบาย สยองไม่แกันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆถ้าเราถอยหลังกลับมามันก็คือร่างกายของของของมนุษย์เรานี่แหละเนาะอืมโอเคงั้นท่านใดที่จิตใจแข็งพอสมควรก็ฟังต่อนะครับอ่แต่อย่างที่บอกผมจะไม่ได้ใส่รูปมานะค่ะได้งั้นเราไปดูที่วิธีการหาเวลาการเสียชีวิตกันเลยว่าไปที่วิธีแรกกันก่อนวิธีแรกใช่วิธีแรกครับก็คือ การหาการแข่งตัวของกล้ามเนื้อหมายความว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายเรามันไม่แข็งเนาะมันก็จะแบบมีเนื้อมีหนังมีเลือดอะไรหลยเวียนคือตามข้อต่อหรืออะไรมันก็ยังหักงอได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่าก็คือมีความยืดหยุ่นเนาะร่างกายมนุษย์แต่พอเราเสียชีวิตไปเนี่ยจริงๆช่วงเสียชีวิตใหม่ๆเลยเนี่ยกล้ามเนื้อจะหย่อนกว่าเดิมด้วยซ้ํำแป๊บนึงเลยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหย่อนเพราะมันไม่มี แรงอะไรมันเหมือนแบบผ่อนลงไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะหย่อนลงไปก่อนแต่หลังจากเสียชีวิตได้ประมาณ 1-3 ชั่วโมงเนี่ยกล้ามเนื้อจะเริ่มแข็งแล้วแข็งที่ว่าเนี่ยคือมันจะเริ่มแบบตามข้อต่อเนี่ยมันจะเริ่มตึงแข็งไปหมดทำให้การจะหักงอข้อต่ออะไรพวกนี้เป็นเรื่อ ง, เ ป, เ, องเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ลักษณะความแข็งในแต่ละจุดเนี่ยก็จะไม่ไม่เท่ากันเช่นเคยเคยเห็นไมเวลาแบบว่าแบบถ้าบอกว่าศพกรรมอะไรไว้อะ เราต้องไปแกะออกมามันแกะในหนังอะในหนังอ่าเพราะว่ามันใช่เพราะว่าแบบมันแข็งไงกล้ามเนื้อข้อต่อมันแข็งตัวแต่จริงๆข้อต่อที่ศพกรรมอะไรไว้เนี่ยยังพอแกะได้นะตรงที่เป็นกล้ามเนื้อเยอะๆเช่นบริเวณแบบข้อต่อที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเช่นพวกข้อศอกข้ออะไรพวกเนี้ยพวกนั้นแข็งมากจนแบบถ้าจะไปเปลี่ยนท่าเขาเนี่ยต้องใช้แรงคนมากกว่าหนึ่งคนโอ้มันแข็งมากที่เขาบอกตายแล้วตัวแข็งเนี่ยอะมันเป็นอย่างนี้แหละอืมค่ะ แล้วเรื่องนี้มันแปลว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ เ, ออเหมือนวัดค่าของความแข็ ง, งต่างๆเหล่านี้นได้ก็จะบอกได้ว่าตายมานานแค่ไหนแล้วใช่ถ้าการแข็งตัวเนี่ยคือหมายความว่ามันจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากเสียชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มแข็งแล้วและมันจะแข็งอย่างสมบูรณ์เนี่ยหลังจากเสียชีวิตประมาณ 10-12 ชั่วโมงโอ๋อคือแข็งแบบแข็งเป๊ะเปลี่ยนเปรีเปร้เลยใช่แล้วมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นเนี่ยประมาณ 24-36 ชั่วโมง เน้ อ, อไหมดังนั้นพอเลย36ชั่วโมงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะเริ่มกลับมาหย่อนอีกเพราะมันเริ่ม<อ>เข้าสู่กระ บ, บวนการเน่าเปื่อยแล้ว<อ>ดังนั้นพอพอพอศพเริ่มแข็งแล้วยังอยู่ในช่วงแข็งแข็งค้างอยู่เนี่ยก็พอจะสโคบเมื่อเวลาเสียชีวิตก้องๆได้แล้วว่าว่าเท่าไหร่แค่ไหนอย่างไรโดยที่การแข็งเนี่ยจะเกิดค่อนข้างค่อนข้างนะฮะจะพร้อมกันทางร่างกายไม่ได้พร้อมขนาดนั้นหรอกแต่ก็จะตีได้ว่าพร้อมๆกันแล้วก็ ผู้ชายกับผู้หญิงอ่าศพแบบไหนที่จะแข็งมากกว่ากันเรื่องเพศส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อการแข็งตัวข<ห>องกล้าม<ห>นนเนื้อด้วยแน่นอนใช่ก็ผู้ชายเนี่ยโดยโดยทั่วไปก็จะมีมวลกล้ามเนื้อมากศพก็จะแข็งมากกว่านะครับแล้วก็ศพทีเ่เป็นคนที่บางทีอาจจะไม่ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเยอะผอมแห้งแรงน้อยอก็จะแข็งน้อยกว่า <น>แต่ยังเว้นถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นนักกล้ามเขาก็อาจจะแข็งมากกว่าก็ได้ใช่ใช่ถูกต้องไมจริงๆนะแต่อย่างที่บอกนะครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันเป็นมาตรฐานที่อุณหภูมิปกติเขาเพูดอุณหภูมิปกติก็จะหมายถึงอุณหภูมิห้องที่อยู่ที่ประมาณ2 1่สอถึงยีองศาเซลเซียสอะไรแถวนั้นะนะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนอัตราการแข็งตัวก็จะเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอุณหภูมิของอะไรบ้างหนึ่งเลยคืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมค่ะยิ่งอากาศร้อนเนี่ย ศพยิ่งจะแข่งตัวเร็ว oh. มันยิ่งเป็นเร่งกระบวนการให้ oh. ให้การแข่งตัวเกิดขึ้นเร็ว oh. แล้วก็อุณหภูมิในร่างกายผู้เสียชีวิตถ้าเขาอุณหภูมิไม่ปกติไม่ได้อยู่ที่ช่วงอุณหภูมิปกติของมนุษย์เ <c oughs> ช่นเกิดจากโรคบางอย่างที่ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น <c oughs> หรือการใช้ยาเสพติดหรืออะไรพวกนี้ <c oughs> มันก็จะเร่งขึ้นไปอีกยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งแข่งเร็วหรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดกล้ามเนื้อมันเกิดการแอคทีฟมีกดแลงติกสะสมทําให้มี การเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆก่อนเสียชีวิตอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้การประเมินเนี่ยคลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานได้อ๋อแปลว่าเมื่อกี้มันค่อนข้างขัดกับความเข้าใจโดยธรรมชาติของเราที่คิดว่าเฮ้ยถ้ า, า, าเย็นน่าจะแข็งเร็วแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดย่งร้อนเนี่ยออปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายยิ่งเอื้อให้ให้การแข่งตัวของร่างกายเนี่ยเร็วแล้วมันจะไม่ย้อนกลับนะคือศพที่แข็งแล้วเนี่ย มันจะไม่แบบจู่ๆกลับมางอได้ง่ายคือถ้าไม่ถึงขั้นช่วงเน่าเสียเนี่ยนะฮะมันก็ยังมันจะแข็งหรือค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างที่บอก 24-36 ชั่วโมงนะทีนี้อาจจะสงสัยว่าแล้วกระบวนการอะไรที่ทําให้ให้ร่างกายแอคทีฟในก่อนก่อนตายคือดูโคนันไหมเคยดูค่ะคือมันมีอยู่ตอนนึงอ๋อนนี้อ่านโคนันใช่ไหมมาแนวดูการ์ตูนชมก้าการ์ตูนอะไรเงี้ยนะมันจะมีอยู่ตอนนึงที่คนร้ายหลอกให้ตีปิงปองอะไรเงี้ยรู้สึกมีตอนนึงตีปิงปองคือ มาอ่านดูเนี่ยก็น่าทึ่งนะว่าคือตีปิงปองเนี่ยร่างกายร้อนขึ้นก็ทําให้ประเมินการเสียชีวิตผิดไปจากความจริงอ่าแต่ผมก็มาคิดโอตีปิงปองอะไรมันร้อนขึ้นขนาดนั้นเพราะผมตีกับเพื่อนอ่ะตีแป๊บเดียวก็วิ่งไปเก็บลูกแล้วอ่ะาคงจะคงจะเหนื่อยตอนวิ่งไปเก็บลูกอะไรแบบนั้นไอตอนตีปิงปองไม่เหนื่อยหรอกตีปุ๊บแล้วเหนื่อยวิ่งเก็บมากกว่าแต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงก็มีตรงที่ว่าในการวิ่งหนีคนร้ายเนี่ยไอตรงเนี้ยมันทําให้อุณหภูมิร่างกาย สูงขึ้นเร่งให้การแข่งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเร็วขึ้น อ, อันนี้มีอยู่จริงนะครับเอออเมซิ่งแปลว่าการที่แบบว่ารูปคดี <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยทำอะไรก่อนตายอันนั้นก็ส่งผ ล, งผลแล้วการคํานวณ เ, เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันใช่นะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะธรรมชาติการแข่งตัวของกล้ามเนื้อนอกจากจะประมาณช่วงเวลาเสียชีวิตได้แล้วนะครับมันยังช่วยในการระบุได้ด้วยว่าศพนี้ถูกย้ายหรือเปล่าบางกรณีมันช่วยได้ พอมนุษย์เราเสียชีวิตเนี่ยร่างกายต่างๆก็จะปล่อยตัวไปตามแรงโน้มถ่วงเนาะ ม, มันส่วนใหญ่ก็จะก็จะแขนขาก็จะปล่อยลงตามแรงโน้มถ่วงแต่ในขณะที่พบศพถ้าแขนขาเนี่ยเกิดชี้ขึ้นกลางอากาศแล้วแข็งอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้สูงที่พอเสียชีวิตแล้วร่างกายปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงแล้วก็แข็งแล้วก็มีอะไรบางอย่างไปย้ายศพผู้เสียชีวิตให้ตั้งตรงขึ้นมา แบบนั้นก็พอจะบอกได้เหมือนกันว่าศพนี้ถูกย้ายแล้วหลังจากเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับพอจะเป็นคําบอกใบบางอย่างที่ที่คนร้ายหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทํากับศพผู้เสียชีวิตอะไรแบบนี้มันดูเหมือนเป็นปัจจัยที่การเคลื่อนย้ายหรือว่าการกระทําอื่นๆเนี่ยส่งผลได้แต่มันมีวิธีหาเวลาเสียชีวิตอื่นๆอีกไหมคะที่มันอยู่กับตัวศพเลย เฮ้จริงๆการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มันก็เกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายในนะอยู่ในอยู่ในภายในคือหมายความว่าเราวัดดูว่ามันแข็งเนี่ยมันแข็งแค่ไหนวัดอะไรแบบนี้นะหรือว่าเริ่มสูญเสียการแข็งเริ่มเข้าสู่การหย่อนตัวหรือ ย, ยังเนี่ยมันพอกับเวลาได้กันการแข็งตัวเหมือนกัน嗯嗯นะส่วนวิธีที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการดูรอยจ้ำเลือดรอยจ้ำเลือดเนี่ยดูที่ผิวหนัง ปกติแล้วหลังจากเสียชีวิตเนี่ยนะครับผิวหนังมันจะเริ่มสูญเสียความยืดหยุนนะแล้วก็พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมักจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารอยจำเลือดขึ้นถึงแม้จะไม่มีแผลหรอคะใช่โอ้ก็สักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเกิดรอยจำเลือดขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลก็ตามรอยจำเลือดเนี่ยสมมุติว่าศพนอนอยู่เนี่ยเรามักจะเห็นว่าบริเวณที่อยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยมีคล้ายๆรอยรอยช้ำช้ำมุ่งมุง มุ่งมวงเข้มเขมหรือแดงเข้มขึ้นมานะอันนี้เรียกรอยจำเลือดมันเกิดจากการที่เลือดเนี่ยแทนที่มันจะได้รับการสูบฉีดจากหัวใจพอเสียชีวิตหัวใจไม่ได้ทํางานแล้วเลือดเนี่ยก็จะตกตะกอนไปตามแรงโน้มถ่วง<อ>นะพอตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็เกิดเป็นรอยเข้มขึ้นมานะครับก็จะอยู่ล่างๆของของศพ อ, อย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วมันจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วมันจะเข้มไปถึง จุดพีคของมันที่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงหลังเสียชีวิตพอเข้มสุดแล้ว 8-10 ชั่วโมงแล้วเขาจะเรียกตอนนั้นว่าเกิดเป็นฟิกเซชันคือมันจะค้างแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าคือสมมุติว่าศพนอนอยู่นอนหงายนะพูดแล้วคนลุก8ปดถึงสิชั่วโมงเนี่ยพอเสียชีวิตแล้วเกิดรอยจ้ำเลือดแล้วนะฮะแล้วมันค้างอยู่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เกิดการพลิกตะแคงไปแค่ไหนไอ้ส่วนที่เกิดฟิกเซชันไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ก็จะยังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะก็จะอยู่ที่ สมมติว่านอนหงายนะด้านหลังก็เกิดรอยจ้ำเลือดอนะครับพอผ่านไป8ปดถชั่วโมงมันเกิดฟิกเซชันคือฟิกเซชันก็คือจ้ำเลือดขึ้นสมบูรณ์ละแล้วมันไม่ค้างละต่อให้เป็นพลิกคว่ำเนี่ยรอยจ้ำเลือดที่เกิดไปแล้วที่เกิดฟิกเซชันไปแล้วก็ยังค้างอยู่อย่างนั้นแต่เลือดส่วนที่ยังไม่ฟิกเซชันก็จะไหลไปเกิดจ้ำเลือดที่อื่นได้เหมือนกัน อ, อันนี้ก็พอจะบอกได้อีกเหมือนกันว่าหลังจากเกิดฟิกเซชันไปแล้วเนี่ยศพถูกย้ายหรือไม่ถูกย้ายอ เรื่องของแรงโน้มถ่วงก็มาใช้กับเรื่องนี้ได้ด้วยใช่อนะก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างแรกก็คือดูการแข็งตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็มาดูรอยจำเลือดซึ่งรอยจำเลือดเนี่ยอย่าไปเซิร์ชดูรูปนะน่ากลัวแต่เนี้ยมันเป็นกรณีที่ไม่ได้มีคนไปเหมือนทำร้ายเนาะแต่ถ้าเกิดมันมีการทรําลายร่างกายสมมตนะิเหมือนแค่เราเดินชนโต๊ะมันก็แบบมันก็ช้ําแล้วอย่างเงี้ย<ะ>แล้วอันเนี้ยมันมันจะต่างกับรอยจำเลือดที่เกิดขึ้ น, อนเองไหมคะคือ การกระแทกจนเกิดรอยฟกช้ำเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยคล้ายๆสีก็คล้ายๆรอยจำเลือนเพราะมันก็จำจำจำอ่ะเป็น ม, มุ่งมุ่ ง, งเป็นอะไรแบบเนี้นะตรงเนี้ยแยกออกจากกันด้วยตาได้นะถ้าเชี่ยวจริงๆแต่ก็ลำบากบางทีต้องผ่าดูคือชันสูตรดูถ้าถ้าเป็นรอยออรอยฟกช้ำเนี่ยเลือดเนี่ยมันจะแตกออกมาจากจากหลอดเลือดแล้วก็เข้าสู่เนื้อเยื่อคือมันถูกกระแทกไง ถ้าเป็นรอยจำเลือดเนี่ยเลือดมันยังอยู่ในค่อนข้างจะยังอยู่ในหลอดเลือด อ, อะไรแบบนั้นนะครับแล้วยังต้องแยกอีกนะว่าถ้าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตด้วยโรคบางอย่างที่มันทําให้เลือดข้างตามอวัยวะต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะเป็นรอยข้างต่างๆที่ไม่ใช่มไม่ใช่แรงโน้มถ่วงทําให้เกิดค่ะเออซับซ้อนหมอืมอืมแต่ว่าก็ก็ดูมีเหตุมีผลดีนะคะแล้วก็บางทีเราเราไปดูหนังน่าจะสนุกขึ้นเออน่าจะร่วมไขคดีไปกับคนทันได้ด้วยแล้วบางทีเนี่ยจุดที่ ควรจะมีรอยจ้ำเลือดแต่กลับไม่มีก็เป็นไปได้ว่าบริเวณ น, นั้นของศพอาจจะถูกแรงบางอย่างไปกดเข้าพอไปกดมากๆเนี่ยตรงนั้นมันจะขาวๆลองกดดูมันจะขาวๆไอ้แบบเนี้ยกดได้จากอะไรอาจจะกดได้จากการที่เครื่องแต่งตัวของของผู้เสียชีวิตอาจจะรัดเกินไปบริเวณ น, นั้นหรือว่าตอนไปนอนหรือตอนศพนอนอยู่เนี่ยบริเวณผ่นหลังมีพวกแบบเอ่อก้อนหินหรือว่ามีอะไร สักอย่างที่มันนูนขึ้นมาแล้วไปกดตรงนั้นตรงนั้นรอยจำเลือดก็จะจะจางก่อนจุดอื่นอะไรแบบเนี้ตรงนี้ก็ช่วยบอกได้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ศพเคยนอนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะรวมทั้งถ้าเป็นคนที่ผู้เสียชีวิตมีผิวที่สีค่อนข้างจะสีอ่อนนะรอยจำเลือดก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นผิวสีผิวเข้มเนี่ยก็จะเห็นได้ได้ยากทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องนี้เกี่ยวมันจะเปลี่ยนไปไหมกับตอนที่ศพเน่าเปลี่ยนไป เพราะว่ารอยจ้ำเลือดเนี่ยปกติสีมันจะเป็นมุ่วงๆนะก็คล้ายๆรอยฟกช้ำแต่จริงๆพูดถึงเรื่องไซยาไนอะอาการเสียชีวิต ด, ด้วยด้วยพิษไซยาไหรื อ, อว่าการสูดเอาแก๊สที่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแก๊สพิษอะรอยจ้ำเลือดสีผิดปกตินะอ๋อเหมือนปนเปื้อนสารพิษอะไรอย่างนี้เหรอคะคือคกลไกลึกๆเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจแต่สีเนี่ยมันมันจมกจะมักจะออกเป็นแดงแดงๆเข้มๆหรือชมพูเข้ม มันจะไม่ม่วงเข้มอ่ะอจริงๆเสียชีวิตจากพิษอะไรพวกเนี้คือถ้าสีมันเป็นแบบนี้ยก็พอจะเดาได้ว่าสาเหตุเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าสู่การเน่าเนี่ยสีทีจะเปลี่ยนไปเลยมันจะเริ่มจากม่วงนะคราวนี้เปลี่ยนอาจจะเป็นอาจจะเป็นเขียวเข้มน้ำตาลเป็นดำคราวเนี้ระบุยากละว่าเสียชีวิตมานานแค่ไหนอย่างไร อันนี้เป็นเรื่องของของรอยจ้ำเลือดค่ะทีนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังเคยเจอการใส่ชีวิตของน้องหมาที่บ้านเ<อ>มื่อนานมาแล้วค่ะเ<อ>มื่อนานมาแล้วอุ้มแล้วตกใจมากเพราะว่ามันเย็นมันเย็นเฉียบเพราะ<อ>คือมันโดนรถชนค่ะแต่ว่าความหมายคือเอ๊ะทำไมเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันพอเราตายแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมพี่บงไป ใช่ฮะก็มนุษย์เราเป็นเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะเรามีอุณหภูมิคือกลไกมันมันเหมือนเป็นเครื่องทําความร้อนในร่างกายตลอดเวลาทําให้เรามีอุณหภูมิที่คงที่นะฮะอยู่ที่ 37.5 สิบเจ็ดจุาอะไรแถวนั้นทีนี้พอพอมนุษย์เสียชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเสียชีวิตเนี่ยเครื่องระบบต่างๆที่มันเป็นเครื่องผลิตความร้อนเนี่ยมันก็หยุดการทํางานมันก็จะค่อยๆเย็นตัวลงการเย็นตัวลงเนี่ยก็จะเป็น ตามกฎการเย็นตัวลงของฟิสิกส์เลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะค่อยๆเย็นตัวลงจนเท่ากับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมคําว่าเย็นเนี่ยก็มันก็คือเย็นเท่าๆกับสิ่งแวดล้อม uh huh. นะฮะก็มีงานวิจัยเยอะแยะเลยที่พยายามจะสร้างกฎหรือสูตรที่ใช้ในการคํานวณว่าตอนไปวัดอุณหภูมิของศพเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าโน้นเท่านั้นเนี่ยผ่านไปกี่ชั่วโมงกายอะไรพวกนี้แต่มันก็ค่อนข้างจะ ใช้จึงได้ยากลําบากเพราะว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมันเยอะอแล้วอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแหละอุณหภูมิของผู้เสียชีวิตเองบางทีก็ไม่ได้เริ่มต้นที่ 37.5 เจ็หรืออพวกนี้มีใช้ยาใช้อะไรตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแม่นแต่กระนั้นก็ยังเป็นประโยชน์<ข>ในหลายๆกรณี<ข><ข>นะครับเช่นถ้าเราสามารถวัดอุณหภูมิได้ค่อนข้างแม่นยําหรือศพอยู่ในระบบปิด สมดุลกับสิ่งวแวดล้อมไม่มีเปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรมากมายมก็วัดไว้ก่อนอโดยทั่วไปในช่วง1ิบสชั่วโมงแรกวัดไว้ก่อนก็จะก็จะโอเคอทีนี้มันมีอยู่กราฟตัวหนึ่งผมว่าน่าสนใจอลองดูกราฟตัวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยการเย็นตัวลงของของศพเนี่ยก็จะเป็นกราฟในลักษณะนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตั ว, ต, วตัว S อย่างนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยจะเย็นเย็นค่อยๆไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเย็นลงคือจะอุณหภูมิค่อนข้างคงตัวอยู่และเย็นช้า แต่พอถึงจุดหนึ่งจะดรอปลงมาแบบควบห้ามเล ย, เลยใช่แล้วพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งคือสูญเสียความร้อนไปเกือบเท่าสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยอัตราการสูญเสียความร้อนเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงก็ค่อยๆไปค้างเติมอยู่แถวๆปลายๆนะฮะอันนี้ก็เป็นกราฟเกี่ยวกับอุณหภูมิการเย็นตัวของศพซึ่งก็ช่วยในการระบุช่วงเวลาเสียชีวิตก้องๆได้เหมือนกันนะแต่ว่าแปลว่าถ้าเราเจอศพ นานมากแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันก็อาจจะเป็นสมดุลกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไ ม, ม่มีประโยชน์นะที่จ ะ, ท, จะที่จะวัดนะฮะแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นกฎกว้างๆศพเนี่ยมีความแตกต่างกันมากศพที่ใส่เสื้อผ้าที่ยิ่งเป็นฉนวนความร้อนเนี่ยอก็จะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ได้ละ่ะใช่ก็จะเย็นช้าลงหรือมีไขมันเยอะค่ะไขมันเนี่ยเป็นฉนวนนะมันก็จะยิ่งเย็นช้าลงไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่ จะมีการเก็บตัวอย่างหรืออะไรมาช่วยในการวัดให้มันแม่นยําขึ้นในอนาคตได้หรือเปล่านะครับอแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งคือโดยทั่วไปการเก็บเก็บอุณหภูมิของของศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะเก็บตรงไหนตรงไหนเหมือนเราวัดอุณหภูมิถ้าตอนมีชีวิตอยู่เราก็วัดปากบ้างรักแร้บ้างหูหบ้างใช่ไห ม, อ, มอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องวัดอุณหภูมิภายในร่างกายเนาะ<อ>ซึ่งมันจะต้องเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะ คือถ้าไ ม, ไม่ไม่ไม่วัดที่ตับก็จะใช้ทาวารหนักในการวัดอุณหภูมิหมายถึงขเข้ า, ขาไปวัดข้างในใช่<อ>ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเอาแม่นๆก็ไปวัดข้างในตรงนั้นอะไรแบบนั้นโอ้โหแล้วเราดูวิธีอื่นได้อีกไหมคะพี่บ่งแบ่งมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมอ่ามีฮะก็มีอีกสองจุดละกันที่เขามักจะดูเป็นโอวยวะหลักๆน ะ, ะก็คือดูที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยดูอะไรดูว่าในนั้นยมีอาหารอะไรอยู่ โอคือเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันยังอยู่ในนัานไหมยอยู่ก็น่าจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วมันระบุเวลาได้ไหมก็พอจะระบุได้นะฮะถ้าเป็นมื้อเบาๆนะก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนักอาหารก็ย่อยหมดละก็เริ่มเข้าสู่ลำไส้เล็กแต่ถ้าเป็นมื้อหนักๆก็อาจจะเป็น6ชั่วโมงเลยก่อนมันจะเริ่มเข้าสู่ลำไส้เล็กถ้าเป็นมื้อเบาๆเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ลำไส้เล็กมันเข้าเร็ว ม, มากเลยถนะ้าจจแต่ถ้ากินหนักๆเนี่ย กินแบบมื้อใหญ่แบบจับเต็มอย่างเงี้ยโหก่อนจะเข้าสู่ลำไส้เล็กกระเพาะมันก็ใช้เวลาค้างเติ่นานอย่างเงี้ยก็พอจะเดาได้ว่าเขากินมื้อใหญ่แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปดูได้อีกว่าเขากินอะไรเช่นถ้าเราเจอสดที่มีสปากเกตตี้สมมุตินะ อ, อันนี้หนังสือเท็กซบุ๊กเขายกตัวอย่างเลยน ะ, ะว่าเป็นสปากเกตตี้มันก็พอจะบอกได้ว่าเส้นสปากเกตตี้น้ำสปากเกตตี้แบบนี้มาจากร้านแบบไหนอย่างไรนะ<อ>แล้วก่อนร้านนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไปดูว่าเขากินกับใคร พอบอกเ oh. ข้าคร่าวได้ไปสืบหารอบๆ บ, บริเวณ น, นั้นลึกมากใช่หรืออย่างดวงตาบางทีก็หลายคนอาจจะงงว่า้ทําไมต้องไปดูลูกตาอะไรเงี้ยคือผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจอตาหรือเรตินาเนี่ยไอตัวเรตินาเนี่ยเส้นเลือดมันจะเริ่มขาดเป็นท่อนๆจากเดิมที่เป็นเส้นเลือดต่อเนื่องมันจะเริ่มขาดเป็นท่อนๆมันก็พอจะบอกได้ว่าโหเสียชีวิตมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะหรืออย่างช้าอาจจะสักสองชั่วโมงก็จะเริ่มขาดละอะไรแบบนั้น นะครับแล้วก็อย่างกระจกตาเนี่ยพอเสียชีวิตไปสักสองชั่วโมงเนี่ยกระจกตาจะเริ่มขุนมัวอ่ามันจะจากที่เป็นดูลู ก, กตาแล้วดูใสๆดูอะไรเงี้ยกระจกตาข้างหน้ามันจะเริ่มขุนเลยขุนเป็นสีแบบข า, ขาวๆเทาๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้ได้ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ํากว่า2ชั่วโมงละพอสองชั่วโมงปุ๊บกระจกตามันขุนแล้วก็ถ้าวัดละเอียดสมมุตินะแรงดันลูกตาข้างในเนี่ยจากเดิมมีกลไกต่างๆแรงดันก็สูง พอเสียชีวิตไปแรงดันลูกตาก็จะดรอปลงก็จะวัดได้ว่าเสียชีวิตไปนานแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับเออค่ะแต่ว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพี่ผงแปงมันต้องอยู่ในขั้นที่แบบว่าศพยังไม่ถึงขั้นการเน่าใช่ไหมคะยังไม่เน่าพอยังไม่เน่าเนี่ยมันจะพอระบุได้เป็นหลายๆจุดอย่างเงี้ยดูอะไรนะดูกล้ามเนื้อแข็งตัวดูจำเลือดอนะฮะวัดอุณหภูมิมดูลักษณะ ก็เพราะอาหารดูลูกตาดูอะไรพวกนี้มันพอพอระบุในช่วงเวลา ก, กว้างๆได้แต่พอเริ่มเน่าแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่มากช่วงเวลาจะกว้างมากมแล้วมันซับซ้อนคือและที่สำคัญมันน่ากลัวด้วยคือผมไปอ่านมาเนี่ยนะคือศพที่อยู่ในน้ำฝั่งใต้ดิน อ, อยู่ในทุ่งโล่งกว้างคือโอเพนแอร์กับเอาไว้ใน ห้องใต้ดินแล้วปิดในอากาศปิดทึบเนี่ยต่อให้เวลาผ่านไปเท่ากันลักษณะการเน่าก็ต่างกันแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆที่วุ่นวายมากเลยนะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกสัตว์กินซากต่างๆพวกนี้ตรงนี้ก็น่ากลัวครับ อ, อย่าไปฟังเลย <laughs> เอ อ, เ อ, อแต่ฟังเคยเห็นมัมมี่ ท, ที่ที่เป็นการค้นพบแบบ <c oughs> เมื่อไม่นานมานี้แต่เป็นมัมมี่แบบที่ที่เราคุ้นเคยคือมัมมี่จะถูกพันไว้ใช่ไหมค ะ, อ, ะอันนี้เหมือนเขาแกะออกมาเป็นผู้หญิงในยุคอดีตมากที่แบบคงสภาพของร่างเอาไวไ้ได้แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยมืนก็เป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาศพเอาไว้น ะ, ะใช่แต่อันนั้นเนี่ย<อ>เขาวัดอายุด้วยวิธีทางตรวจับกพวกกรรมตะลังสีอะไรพวกเนี้น ะ, อ, อ, ะอันนั้นก็พอจะระบุได้ว่าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาไหนแต่ มันต่างจากอันนี้นะคืออันนั้นนะบวกลบคีเป็นปีเป็นไม่รู้กี่ปีนะคือบวกลบค่อนข้างเยอะเราไม่ได้อยากรู้ว่าใครฆ่าเขาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออมันพอระบุได้ในช่วงแบบความไม่แน่นอนในระดับหลายปีใช่แต่กับกับในการนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยทําแบบนั้นไม่ได้ต้องไขคดีเนาะใช่ศพนี้เสียชีวิตเออเ็ชั่วโมงบวกลบ5ปีอย่างเงี้ยไม่มีความหมายอะไรนะครับอย่างมัมมี่เนี่ยก็ สมมติว่าบวกลบ5ปีมันยังพอระบุเป็นช่วงช่วงยุคต่างๆได้ก็ก็อโอเคอค่ะใครฟังตอนนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะฟังว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกฟินมากถ้าเกิดว่ารักหนังแนวแบบว่าสืบสวนสอบสวนดูเรารู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในทีมช่วยเขาสืบด้วยนะคะเพราะว่าอย่างตอนที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าอยากได้พักต่ออะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นตอนนี้ขึ้นมาแล้<ๆ>ี่ไ <laughs> ยิ่งไปบอกว่าคอมเมนต์มันเลยค่ะนะคะใครอยากฟนะังทำไหนกลัว <laughs> แต่ว่านอกจากใน YouTube แล้วนะคะที่ทุกคนกด Subscribe ได้ตอนนี้เลยเวลามีตอนใหม่ๆแล้วก็จะแจ้งเตือนใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะ The s t a n d a r d Podcast มีช่องทางใหม่นะคะใน TikTok ไปเซิร์ชได้นะคะ The Standard Podcast ใครอยากดูคลิปสั้นๆแล้วก็ฟังเรื่องราวจากในรายการก็ติดตามได้เช่นกันส่วนช่องทา ง, งอื่นๆยังมีเหมือนเดิมนะคะใน Podcast Player ทุกๆ Podcast Player ก็เข้าไปกดติดตามฟังกันได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของใดๆในโลกหลวนฟิสิกส์วันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast i y e Opening for Your Ears